เห็นว่าทุกจิตและทุกอารมณ์มาจากความสามารถสร้างเสียงด้วยมือไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยลอยบางขณะก็หวานเยิ้มเคลิ้มหลงบางขณะก็ตื่นตัวโลดผลนบางขณะก็เป็นสุขอยู่นิ่งๆเงียบเชียบในทํากลางการเรียงเม็ดของเสียงที่สม่ำเสมอบางขณะอาจเอืเ่อยเฉยเนยนายด้วยความล้าหรือความเบือ่อเป็นต้น ขอเพียงคุณเห็นความต่างของจิตแต่ละแบบอารมณ์แต่ละชนิดอย่างชาัดเจนสักขณะเดียวเท่านั้นก็นับว่าสติจเจริญขึ้นแล้วยิ่งเห็นบ่อยขึ้นเท่าไรคุณจะยิ่งรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของอารมณ์และอ้อยอิงอาวรกับแต่ละอารมณ์น้อยลงทุกทีและในที่สุดคุณจะเข้าใจเปลี่ยนโนได้สองมิติคือทางโลกคุณอาจอธิบายได้ว่าแต่ละเพลงมีรายละเอียดความไพเราะแตกต่างกันอย่างไร